นอกจากฉันยาที่ทางโรงพยาบาลจุฬาจัดถวายไว้และรายงานให้แพทย์ประจำทราบตลอดเวลาโดยส่วนตัวของลุงกูเองตามประกติท่านไม่ทำความลำบากใจให้แก่ใครอยู่แล้วท่านวางตนเป็นผู้อยู่สุขสบายทุกๆุกรณีสานุสิต และบุคคลทั่วไปจึงเข้าใจว่าท่านมีสุขภาพอนามัยดีเป็นปกติผู้เขียนเห็นว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้หายจากอ า, าพาธอย่างสิ้นเชิงแต่ที่ท่านอยู่ได้อย่างปกติภาพมันเพราะอำนาจขันติและพลังจิตของท่านระยะหลังนี้ท่านใช้เวลาให้หมดไปโดยการอธิบายธรรมะ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 คือเก้าสิบหกปีคณะกรรม ก, การและศิษยานุสิ์ได้มีกำหนดการไว้ร่วงหน้าแล้วว่าจะมีการจัดฉลองเป็นกรณีพิเศษเพราะถือเป็นอภิลักษิตกาลเมื่อมาประจวบกับการที่หลวงปู่ได้หายจากอาพาธอันเป็นที่วิตกทุกร้อนอย่างใหญ่หลวงแก่สาธุชนทั่วไป ทุกฝ่ายจินพร้อมใจกันที่จะจัดงานให้เป็นพิเศษยิ่งขึ้นโดยไดอรัธนาพระเทราเทระทั้งหลายทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีได้เชิญสาุสิทธิทั่วไปและท่านหรานั้นก็มาประชุมร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีพุทธาพิเศษ เรียนรุ่นพิเศษถวายท่านอีกด้วยท่านนี้ก็เพราะเมื่อก่อนจะถึงงานนี้ไม่นานนักลุงปู่ได้เป็นนัง่งติกุติของผู้เขียนแล้วบอกว่าให้เร่งสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าได้หยุดชะงักมานานแล้วจึงได้กราบเรียนท่านว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเลย ตั้งใจว่าเมื่องานฉลองอายุครบแปดรอบของหลวงปู่ผ่านไปแล้วมีเงินเหลือก็จะเริ่มสร้างต่อไปอาภาธครั้งที่สามวันที่ย8บดตุลาคม 2,526 เวลาสีนาฬิกาหลวงปู่มีอาการผิดปกติคืออ่ อ, อนเพลียปวดเมื่อยตัวร้อนคล้ายจะเป็นไข้แต่ท่านก็ไม่ปวดทิศัตอาการทุกอย่างนี้คล้ายกับอาการที่เกิด เมื่อก่อนจะเข้าโรงพยาบาลไม่มีผิดเวลาเก็ดนาฬิกาตามปกติหลวงปู่จะออกมาฉันพระตาหารเช้าและต้อนรับแขกแต่วันนี้ท่านไม่ออกมาฉันข้างนอกได้นาอาหารไปถวายท่านในห้องท่านลุกมานั่งฉันบนเก้าอี้และฉันได้เกือบเหมือนปกติ หลังจากนั้นได้เชิญคุณหมอมาูมมาตรวจถวายท่านพบว่าความดันขึ้นสูงหน่อยแต่หลวงปู่ไม่ปวดทีษะเลยแล้วท่านก็ฉันยาที่หมอจัดถวายหลังจากนอนพักไปชั่วโมงกว่าท่านรู้สึกว่าเป็นปกติแล้วแต่ยังเพลี ย, ยอยู่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 ระหว่างกะปรีก้กะเปล่ากับอ่อนเพลียเร็วมากทุกส0สถึงี่ิห้านาทีตลอดทั้งวันมีพระพิสุอยู่เฝ้าท่านหลายรูปท่านใช้เวลาส่วนใหญ่นั้นในการอธิบายธรรมะให้ฟังตอบคำถามข้อปฏิบัติต่างๆด้วยเสียงอันชัดเจนแจ่มใส ทำให้เราอุ่นใจว่าท่านคงไม่เป็นอะไรมากเวลาห้าโมงเย็นท่านส่งน้ำเสร็จแล้วนั่งพักบนเก้าอี้ในห้องท่านสดใสดีมากดูกริยาท่าทางของท่านในขณะนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเลยต่อมาสักครู่ท่านปรารบธรรมะให้ฟังว่า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 ต้องปฏิบัติจนถึงสิ่งที่ไม่มีและอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเมื่อเห็นว่าหลวงปู่เพลียพอสมควรแล้วจึงกราเรียนขอยท่านพักผ่อนอาการเพลียรเริ่มขึ้นมาอีกแต่ไม่มากท่านก็อ น, นอนพูดธรรมะให้ฟังต่อไปอีกขณะนั้นฝนตกหนักมาก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 ท่านจะสดชื่นจะปรารบรมบทใดบทหนึ่งทันทีผู้เขียนจึงเรียนถามท่านว่าลุงปู่เชื่อความฝักศิธิ์หรือไม่ครับลุงปู่ตอบว่าความฝักศิธิ์ไม่เคยมีมีแต่พลังและความสามารถของจิต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 ในเนื้อที่หนึ่งปรมาณูเทวดาอยู่ได้แปดองย่างเขาวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมลุงปู่มีอาการปวดเท้าซ้าย ตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงปลายเท้าพร้อมทั้งมีไข้กำเริบอีกที่จรเต้นผิดปกติตลอดมาจนถึงหกโมงเชา้าอาการของท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบทรงทรงสุดๆผู้เขียนจริงโทรศัพท์ทางไกลกราบเรียนท่านจะประคุณสมเด็จพระญาณสงวรให้ทรา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 ขณะนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่สุดผู้เขียนยึงเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ว่าขออนุญาตนําหลวงปู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอีกท่านรีบตอบว่าไม่ต้องเอาปลาดอกและพูดต่อไปอีกว่าห้ามไม่ให้พาไปได้กราบเรียนถามท่า น, านว่า ทำไมลุงปู่จึงไม่ไปลุงปู่ตอบว่าถึงไปก็ไม่หายกราบเรียนถามอีกว่าครั้งก่อนลุงปู่ป่วยหนักกว่าครั้งนี้อีกยังหายคราวนี้อาการไม่หนักเหมือนแต่ก่อนต้องหายแน่ๆลุงปู่ตอบว่านั่นมันครั้งก่อนนี่มันไม่ใช่ครั้งก่อน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 เท่าที่เคยเข้าโรงพยาบาลสองครั้งก็เพราะท่านเมียการหนักอาการท่านหนักแล้วผู้รักษาพยาบาลจึงพาท่านไปท่านไม่อาจขัดได้จึงต้องตามใจเขาอาการที่ท่านจะแสดงให้คนอื่นวิตกกังวลหนักใจในการรักษาพยาบาลนันไม่เคยมีเพราะท่านมีความอดทนเป็นเยี่ยม ตั้งแต่สมัยอยู่ป่าอยู่เขาท่านคงต่อบู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมชาติมามากเท่ที่ผู้เขียนอยู่ใกล้คิดกับท่านมาโดยตลอดไม่เคยได้ยินเสียงท่านควรครางหรือถอนใจใหญ่แม้ในเวลาจะรุกจะนั่งก็ไม่เคยได้ยินท่านรุกได้รวดเร็วกระฉับกระเฉงเสมอ วันนี้เป็นวันทาบุญครบรอบของท่านคือวันที่ยี่เก้าตุลาคมสิบฝ่ายสงฆ์มากันพร้อมมากพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็หลังไหายกันมาอย่างมากมายมีสุภาพส ต, ตรีบวชเป็นชีพราในงานนี้ มากกว่าหนึ่งพันคนอีกด้วยดังนั้นจึงคิดว่าเมื่อเสร็จงานแล้วหากอาการของท่านยังไม่ดีขึ้นก็จะพาท่านไปรักษาที่กรุงเทพให้ได้จึงปรึกษากับท่านผู้ราชการจังหวัดเรื่องตั้งกรรมการเพื่อรักษาพยาบาลหลวงปู่ท่านผู้ว่า จึงแต่งตั้งท่านผู้อามวยการโรงพยาบาลสุรินและนายแพทย์อีกสองท่านเป็นกรรม ก, การรักษาพยาบาลหลวงปู่อวันทรรมบุญอครบรอบของท่านนั้นเวลาสิบนาฬิกาวันนั้นพระสงฆ์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์เวลาส1บอดนาฬิกาถวายพระสารเพนเวลา สมนิกาท่านเจ้าคุณพุทธพ์วราพรวัดราชบพิษแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธนิยบุคคลประยุกต์กับคุณธรรมความดีของหลวงปู่ขณะที่ผู้เขียนกำลังทราบตึงในพระธรรมเทศนาอยู่นั้นพระองค์หนึ่ง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 ปากคอแห้งไม่มีน้ำลายทิ้งกราบเรียนท่านว่างานดำเนินได้วยความเรียบร้อยทุกอย่างตามที่กาหนดไว้และมีผู้บวชเป็นแม่ทีพราหมณ์มากกว่าทุกครั้งฝาหลายใหญ่เต็มหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างหลวงปู่จึงถามถึงสิทฝ่ายสงฆ์ว่ามาครบหมดทุกองค์แล้วหรือยัง จึงกราบเรียนท่านว่ามาแล้วแต่กำลังอยู่ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาทิศาลาเมื่อจบพิธีแสดงธรรมแล้วทุกองค์จะเข้ามานมัสการและถวายสักการะหลวงปู่ที่นี่หลวงปู่พูดว่าเออเราก็รออย่างนี้อยู่แล้วต่อจากนั้นท่านพูดอะไรเบามาก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 ท่านบอกว่าพิจารณาลำดับฌานอยู่ก็พอดีสิทธิอาวุโสเข้ามานมัม ก, กา ร, รูุ้่มปูหลายองค์บางองค์สงสัยในข้อปฏิบัติก็กราบเรียนถามท่านท่านกอธิบายลำบับข้อปฏิบัติทมตั้งแต่ต้นจนสลอดอย่างชัดเจนข้อนี้ ทำให้ผู้เขียนอบอุ่นใจมากจึงพระจากหลวงปู่ออกไปที่งานบนสรา่สี่โมงเย็นร่วงแล้วหลวงปู่สามารถออกมานั่งรับแขกข้างนอกได้ญาติโยมเป็นจำนวนมากจึงถือโอ ก, กาสรีบมากราบหลวงปู่สักคู่ใหญ่ต่อมาท่านก็เข้าห้อง ถวายน้ำสงแก่ท่านแล้วถวายน้ำพึ่งผสมมะนาวสมอตำละเอียดท่านฉันน้ำพึ่งอย่างเดียวไม่ฉันสมอแล้วนอนพักผ่อนท่ามกลางสงควายอรั ญ, ญวาสีซึ่งนั่งห้อมร้อมอยู่เป็นจำนวนมากวันณะของท่านสดใสเปล่งปลั่งผิดธรรมดา ถ้าไม่คิดสังหรณ์ใจไปหลายอย่างเวลาหนึ่งทุ่มผ่านไปแล้วหลวงปู่ลืมตาขึ้นมองไปตรงช่องว่างที่เป็นกระจกซึ่งมีม่านปิดอยู่อย่างมิดชิดท่านยกแขนขวาขึ้นประมาณยี่สิบองศาบอกให้รูดม่านออกสักครู่ต่อมา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 หลวงปู่สั่งให้สวดเฉพาะโพธิชงคสูตรอย่างเดียวสามจบแล้วให้สวดปฏิจจสมุติประบาทอีกสามจบพระสงฆ์ที่สวดมีแปดเก้ารูปพอสวดจบหมอก็เข้าไปตรวจอาการอีกเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้ว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 หลวงปู่สั่งให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระสงค์ในที่นั้นทั้งหมดไม่มีองค์ใดสวดได้เลยเพราะพระสูตรนี้ยาวมากกว่าสูตรอื่นๆทั้งหมดท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดมนต์พอดีท่านอาจารย์ภูนศักดิ์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมา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 พระสงทุกองค์แปลกใจมากเพราะท่านเปิดหนังสือนั้นเป็นหน้าที่ร้อยเจ็ดสิบสองในบทมหาสติปัฏฐานสูตรพอดีท่านอาจารย์ภูนสัก ร, รีบรับจัดมือหลวงปู่มานั่งสวดองเดียวหลวงปู่นอนฟังในท่าสีห์ใส่ ย, ยาิ เพราะสูตรนี้มีความยาวถึง41นาใช้เวลาสวดเกือบ2ชั่วโมงเพราะท่านให้สวดช้าๆพระสงฆ์ที่อยู่ในห้องก็ทยอยกันออกไปบ้างหลังจากที่พระสูตรจบลงลุงปู่ยังมีอาการปรกติ ท่านพูดธรรมะกับพระสงฆ์ทิ่เป้าพยาบาลเป็นครั้งคราวลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้บัง้งนอนบัางมีตอนหนึ่งพราเไดพาออกนอกห้องและนอกกุฏิของท่านเพื่อสูดอากาศภายนอกพร้อมทั้งมองออกไปที่ฟลาที่อยู่ตรงหน้ากุฏิท่านซึ่งขณะนั้น ทังพระพิสุทั้งคารวาสจำนุนมากชุมนุมสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิเนื่องในงานทาบุญอายุครบรอบของท่านคือครบแปดรอบอากับกริยาที่หลวงปู่ออกมาจากกุฏิเพื่อสูดอากาศและมองดูรอบๆ บ, ร, บริเวณวัดในครั้งนี้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 ธรรมดาธรรมดาอยู่ท่านพูดถึงพระภิสูุอ์ค์นั้นองค์นี้ได้ถูกต้องและพูดธรรมปฏิบัติให้พระเนรฟังอีกมากแสดงธรรมครั้งสุดท้ายมัชชิมยามผ่านพ้นไปแล้ว คือผ่านสองนาฬิกาของวันที่สามสิบตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธพปรินิพานด้วยเสียงอันประกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ใครๆฟังเสมอ ท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังประสงค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงละวิภาวะตัณหานั้นสเสด็จเข้าสู่อนุปาติเสสนิพานคือทรงเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหา ทรงเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิสนิโรธหมายความว่าเข้าให้ลึกสุดยูเนื้อ อ р у รูปฌาน